ันผู้ที่รู้ทุกสมุทัยนิโรธมักอาสวะเหตุเกิดความดับและข้อปฏิบัติให้ถึงความาาดับอาสวะเนี่ยนะรู้เหตุเกิดความดับอาสาท า, ธาอาทีนวะนิสนาณะของอุปาทานขันธ์ห้าภาษายตนาหมหาภูตรูปเสร้อภินยยธรรมปริญยยธรรมภาเวตาธรรมปหาถาธรรมสัจจิกาตาธรรมตลอดจนถึงรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงรู้แต่มีความดับไปเป็นธรรมดา พระฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นแล้วอย่างใดก็ตรัสบอกอย่างนั้นคือพระองค์เห็นธรรมะเป็นที่พ้นทุกข์เห็นธรรมะเป็นที่พ้นกิเลสโดยเฉพาะเห็นอริยสัจอย่างไรพระองค์ก็แสดงอย่างนั้นพระองค์นั้นปราศจากมนทินคือความโลภความโกรธความหลงความผูกโกรธอ่านะความโกรธความผูกโกร ธ, ค, กร ธ, ค, กรธคือพระองค์นี่เป็นผู้ละบาปอากุศลภิสังขารทั้งปวง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 สละราคะคลายราคะละราคะสละคืนราคะเสียแล้วเป็นผู้หายหิวดับแล้วเย็นแล้วสเสมอสุกมีพระองค์อันประเสริฐอยู่นั้นพระองค์จึงไม่ได้มีกามพระองค์ก็ไม่มีป่าคำว่าป่าก็เป็นชื่อของราคะโทสะโมหะความโกรธความผูกโกรริษย์สยานีเป็นต้นเนี่ยนะตลอดจนถึงอกุศลาภิสังขารเรียกว่าป่า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 ความเป็นไว้มูสาวาทก็มีด้วยอาการแปดเพระนั้นสรุปว่าท่านพระปิงคียะเล่าให้ภาวีพรามว่าข้าพเจ้าจะขับเพลเออจะขับตามเพลงขับพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ปราศจากมนทินมีพระปัญญากว้างขวางดังแผ่นดินไม่ได้มีกามไม่ได้มีป่าเป็นนาคพระองค์ทรงเห็นแล้วอย่างใดก็ตรัสบอกแล้วอย่างนั้นบุคคลพึงพูดเท็จเพราะเหตุอะไรเนี่ยแะ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 คือราคาโทสะโมหะมานะทิฐฏกิเลสทูจริตและอวิชชาได้แล้วพระองค์นี้ก็ไม่มีความถือตัวเนี่ยนะไม่มีมานะพระองค์เนี่ยทรงละความถือตัวได้หมดแล้วความถือตัวเป็นชื่อของมานะมานะนี่ถ้ารับแบ่งเปรียบนะแบ่งมานะเป็นมานะอย่างหนึ่งสองสามสี่ปดเมานะอย่างเดียวก็คือพองจิตมันพองอย่างเดียวแบ่งเป็นสองอย่างก็คือยกตน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 ส่วนความถือตัวโดยอาการสิบก็คือถือตัวเพราะชาติกําเนิดเพราะโคตรเพราะบุตรแห่งสกุลมีผิวพันธุ์รูปร่างเพราะทรัพย์เพราะการเชื้อเชิญบ่อกเกิดแห่งศิลปะการงานหรือว่าศิลปะวิ ช, ชาการศึกษาปฏิพานหรืออาศัยวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งก็เกิดความถือตัว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 ความถือตัวคือมานะความลบหลู่คือดูหมิ่นผู้อื่นเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วทรงละได้แล้วทําให้ไม่มีที่ตั้งดังตาญยอดด้วนให้ถึงความไม่มีในภายหลังไม่ให้เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดา mm hmm. เพราะฉะนั้นพระองค์ละความถือตัวและความลบหลู่คาว่าจักประกาศซึ่งถ้อยคําวาจา คำเป็นคลองคำที่ควรแปลงอันเข้าไปถึงเข้าไปพร้อมเข้ามาเข้ามาพร้อมเข้าถึงเข้าถึงพร้อมประกอบด้วยคุณคือจักระบุถ้อยคําอันประกอบด้วยคุณเพราะฉะนั้นพระปิงกิยะเทระจึงกล่าวว่าพีฉะนั้นข้าพเจ้าจักระบุถ้อยคําอันประกอบด้วยคุณแก่พระองค์เนี่ยนะพระพุทธเจ้าผู้ละมนทินและความหลงแล้วผู้ละความถือตัวและความลบหลูนนะ่ก็จะเล่าพุทธคุณให้ท่านฟังนะฟังกัน ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วมีพระสมัตะจักสุทรงบรรเทาความมืดทรงถึงที่สุดโลกล่วงพบทั้งปวงไม่มีอาสวะทรงละทุกข์ทั้งหมดได้แล้วมีพระนามจริงเป็นผู้ประเสริฐอันค่าพระคัพเจ้านั่งใกล้แล้วเนี่ยนะก็แสดงว่าที่ที่คัพเจ้าไปเนี่ยได้ไปนั่งใกล้พระพุทธเจ้าผู้บริบูรณ์ด้วยคุณเหล่านั้นดังกล่าวแล้วเนี่ยนะ พระองค์นี้เป็นผู้ทรงบรรเทาความมืดก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบรรเทาทรงกําจัดทรงละทรงทําให้พินาศทรงทําให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีซึ่งความมืดคือราคะโทสะโมหะมานะทิฐิกิเลสทุจริญอันกระทําให้บอดราคะก็ทําให้บอดโทสะก็ทําให้บอดโมหะก็ทําให้บอดมานะก็ทําให้บอดทิฏฐิก็ทําให้บอดกิเลสทุจริญก็ทําให้บอดเพราะฉะนั้นพระองค์นี้ทํำพระองค์เนี่ยกำจัด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 โลกันตะคูสัพพาติวัตโตก็คือคำว่าโลกเนี่ยหมายถึงโลกหนึ่งก็คือภพโลกหนึ่งแบ่งเป็นภพโลกสองคือภวะโลกเป็นสมบัติกับภวะโลกวิบัติเนี่ยนะ คือสุขคติกระทุกคตินะโลก3คือเวทนา3โลก4คืออาหาร4โลก5คืออุปาทานขันห้าโลก6คืออายตนาภายใน6โลก7คือวิญญาณทิฏฐิ7โลก8ก็คือโลกธรรม8โลก9ก็คือสัตววาส9โลก10คืออุปกิเลส10โลก11คือกามาภพสิบเอโลก12คืออายตนา12โลก18คือท่าสิบแโลกทั้งหมดนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถึงที่สุด